วันนี้เนี่ยมีคนป่วยด้วยโรคเจ็บข้อปวดเข่านี่จำนวนมากเลยนะแล้วก็ความเจ็บปวดนะบางครั้งก็รุนแรงมากหลายคนก็พยายามนขนวายหายวิธีรักษานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเท่าไหร่จนั้งเมื่อสักสิบยี่สิปีมาเนี่ยมีคนคนพบว่ามันมีวิธีการผ่าตัดที่ช่วย บรรเทาหรือรักษาโรคนี้ได้ก็มีหลายคนนะไปรับการผ่าตัดด้วยวิธีที่ว่าเนี้ยก็รู้สึกดีขึ้นนะแต่มีหมอคนหนึ่งแกสงสัยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะก็เลยทำการทดลองนะผ่าตัดให้กับคนไข้ที่เจ็บข้อรุนแรงคนหนึ่งแล้วก็มีการฉีดยาชาแล้วก็ผ่านะ เรือนที่ปวดข้อแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่ผ่าเสร็จแล้วก็เย็บแผลตามเดิมพราว่าพอแผลสมานเนี่ยคนไข้เนี่ ย, คค ย, ยบอกว่าความเจ็บความปวดนี่ลดลงเยอะเลยแล้วก็เดินเหินได้ดีขึ้นทั้งนั้นที่หมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะนอกจากแค่กรีดนะกรีดหนัง แล้วก็เย็บเข้าไปตามเดิมแต่คนไข้รู้สึกดีขึ้นเลยมีคนไข้คนหนึ่งนะโดนแผลโดนไฟไหม้เนี่ยผิวหนังเนี่ยถูกไฟไหม้เนี่ยเเซนไอ้ความเจ็บปวดที่เกิดจากไฟไหม้ไฟเผาหรือน้ำร้อนลวกนี่มันมันปวดมากนะยาธรรมดาธรรมดานี่เอาไม่อยู่ต้องมาฟีน คนไข้คนนี้ก็ได้มอร์ฟีนนะแต่ว่าพอมอร์ฟีนมันหมดลิเนี่ยก็จะปวดมากคนไข้ก็ขอร้องควนครางนะอยากได้มอร์ฟีนเพิ่มแต่หมอก็ให้ไม่ได้เพราะว่าถ้าให้มากกว่า น, นั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยทีเดียวนะเพราะมันอาจจะไปกดการหายใจหมอก็ก็เลย สนองความต้องการคนไข้ไม่ได้แต่คนไข้ก็ปวดมากเลยนะร้องมอองขอมอร์ฟีนอยู่ตลอดเวลาพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยนะสงสารเห็นใจคนไข้ก็เลยเดินไปนะเอายาไปให้คนไข้เพราะคนไข้นี่สงบเลยนะความปวดทุเลาลงเลย เพื่อนพยาบาลก็ไปต่อว่าพยาบาลคนน้นว่าเนี่ยไปให้มอร์ฟีนเขาได้ยังไงหมอสั่งห้ามพยาบาลคนนั้นหมอไม่ได้ให้มอร์ฟีนแค่ให้น้ําเกลือนะแต่คนไข้เนี่ยคิดว่าได้มอร์ฟีนแล้วพอได้พอคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยพอคิดว่าได้มอร์ฟีนแล้วก็สบายใจนะความปวดทุดเลาเลยแล้วก็หลับได้นะไม่ส่งเสียงร้องครวญครางต่อไป ทั้งสองกรณีนะมันเป็นตัวอย่างนะของอิทธิพลของความเชื่อนะคนไข้ที่เจ็บข้อเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยหมอผ่าตัดให้เขาด้วยวิธีสมัยใหม่นีแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้รับการรักษาแล้วไอ้ศรัทธาในการรักษาหรือความเชื่อว่าตัวเองได้รับการเยียวยาเนี่ยมันก็ทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลย ความปวดลดลงแล้วก็หลังที่แปลคือเดินเหินได้ดีขึ้นนะไอ้ที่เจ็บข้อปวดขานี่มันเหมือนกับเกือบจะหายไปเลยทั้งที่หมอไม่ได้ทำอะไรคนไข้ที่ได้น้ําเกลือกับเหมือนกันนะคิดว่าได้มอร์ฟีนศรัทธาความเชื่อในมอร์ฟีนเนี่ยว่าโอ้มันมีฤทธิ์บำบัดบรรเทาความปวดพอรู้ว่าตัวเองได้รับหรือเชื่อว่าตัวเองได้รับมอร์ฟีนก็ จิตใจก็สงบลงเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นอิทธิพลของศรัท ธ, ธาหรือความเชื่อซึ่งมันมีอนุภาพนะอาจจะยิ่งกว่ายาที่เป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นยาน้มเสียนะแล้วเรื่องนี้ก็สำคัญนะศรัท ธ, ธาหรือความเชื่อเนี่ยเขาเคยมีการทดลองนะคุณภาพของยาระงับปวดตัวใหม่ตัวหนึ่งนะ ชื่อว่าวาลิโดนวิธีทดสอบคือว่าให้คนไข้เนี่ยให้ให้อาสาสมัครเนี่ยประมาณแปดสิบคนเนี่ยถูกช็อต ด, ด้วยไฟฟ้าที่ข้อมือแล้วก็ให้คะแนนความปวดว่าปวดกี่คะแนนนะคะแนนความปวดนี่มันมีขนาดศูนย์ถึงสิบหลายคนแล้วทุกคนแล้วก็บอกปวดมากเลยเสร็จ แ, แล้วคราวนี้หมอก็ให้ยาวาลิโดนเนี่ย แต่ว่ามันมีการแบ่งเป็นสองกลุ่มนะอาสาสมัครแปสิบคนที่แบ่งเป็นสองกลุ่มเท่าๆกันกลุ่มแรกนี่หมอบอกว่าเนี่ยยาตัวเนี้ยมันเม็ดละสองเหรียญห้าสิบก็เกือบร้อยนะอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาตัวเดียวกันแต่หมอบอกว่าเนี่ยมันราคาแค่สิบเซนก็ประมาณสามบาทห้าสิบห่างกันไกลเลยนะ ราคาเกือบร้อยกว่าสาบาทเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้กินยาทั้งสองกลุ่มเลยนะกินยาแล้วช็อตใหม่กลุ่มแรกเนี่ยนะที่ได้ยาราคาสองเหรียญห้าสิบเนี่ยหรือเกือบร้อยบาทเนี่ยแพชูกระเปเลนะินเาบอกหยความปวดลดลงไปเยอะเลยแตกต่างกันมากกับการกับความปวดครั้งแรกตอนที่ยังไม่ได้ยา พอได้ยาแล้วความปวดมันลดลงเยอะเลยนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์บอก85นส่วนกลุ่มที่สอเนี่ยซึ่งได้ตัวยาที่หมอบอกว่าราคา10เซนหรือว่าสามบาทห้าสิตังค์เนี่ยนะแค่60นะบอกว่าความเจ็บมันลดลงว่ามันมีความแตกต่างกันมากนะแต่คร น, นี้ห ม, หมอที่ทดลองก็เฉลยว่าจ ร, จริงๆเนี่ย ไม่ได้ให้ยาระงับปวดอะไรเลยมันเป็นยาหลอกนะเป็นยาหลอกนะแต่ทุกคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่รู้สึกเลยนะความเจ็บมันลดลงและที่แปลกคือว่าคนที่ได้รับการบอกเล่าว่าได้ยาราคาแพงเนี่ยนะความเจ็บความปวดจะลดลงมากกว่ากลุ่มคนที่เชื่อว่ายาเนี่ยมันราคาถูกนะแค่สิบเซนนะ เพาะน่เนี่ยความเชื่อของคนเราเนี่ยมันก็สาคัญนะถ้าเชื่อว่ากาลังได้รับยาที่ดีราคาแพงจะรู้สึกนะดีขึ้นมากความปวดก็ลดลงคนที่ได้ยาเหมือนกันแต่รู้สึกว่ายามันราคาไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยยาคงจะมีคุณภาพไม่มากความเจอความปวดก็ลดลงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มากเท่ากับ คนที่เชื่อว่าตัวเองได้ยาราคาแพงอันนี้ก็เป็นความเชื่อองคนนะที่มันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนะที่จริงอย่าว่าแต่ศรัทธาในยาเลยนะศรัทธาในหมอนี่ก็ช่วยนะมีหมอคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทย์หมายหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินในอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นหมาหาวิทยาลัยที่มีชื่อมากโดยเฉพาะคณะแพทย์เนี่ยพ่อเขาก็เป็นหมอเหมือนกันนะ เขาบอกเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเวลาย่างกลายเข้ามาในหอคนไข้เนี่ยหอผู้ป่วยเนี่ยคนไข้หลายคนรู้สึกดีขึ้นเลยทั้งที่ยังไม่ทานได้ยาอะไรเลยเพราะว่าเชื่อศรัทธาในตัวหมอเพราะหมอเป็นคนมีเมตตากรุณาเอาใจใส่คนไข้แล้วก็มีความสามารถด้วยคนไข้พอร่วมหมอเข้ามานี่รู้สึกดีขึ้นเลยเพราะเชื่อว่าจะรับการเยียวยารักษา ให้หายเจ็บหายป่วยได้นี่เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่คนเราเนี่ยบางทีจะอาศัยแต่ความเชื่ อ, องจะไม่พอนะเราต้องอาศัยอย่างอื่นด้วยเวลาเจอความเจ็บความปวดแล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเรานะที่สามารถจะช่วยได้มีเด็กคนนึ่งนะ่ะอายุสิบสองมีเด็กคนนึ่งนะ่ะป่วยเป็นโรคพุ่มพวงตั้งแต่อายุสิบสอโรคพุ่มพวงเนี่ยมันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะ มันก็ทำาร้ไตของเธอจนไตาวายนั้นเธอก็ต้องล้างไตยอยู่เสมอแต่การล้างไตนี่นะหรือฟอกไตเนี่ยมันต้องอาศัยเข็มฉีดยาเนะีเธอเคยโดนหมอฉีดยาเนี่ยและหมอฉีดไม่ดีนะปวดมากเลยเธอเลยมีอการผวานะเวลาโดนหมอฉีดยาบางครั้งเนี่ย ร้องกรีดเลยนะแล้วก็ด่าหมอพรเจ็บมากบางทีก็เกรงชักจนสลบไปเลยเพราะว่ากลัวเข็มฉีดยามากแต่ตอนหลังเนี่ยไปเจอหมอดีนะที่ซิดิลลาดนะหมอซุมมาลีซึ่งเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคไตแต่ว่ารู้เรื่องของจิตใจของคนด้วยก็พยายามคุยกับเด็กนะว่าเนี่ยกลัวอะไรเครียดอะไร พยายามให้เด็กเนี่ยสังเกตความรู้สึกของตัวเองแล้วเขียนออกมาก็เป็นวิธีทําให้เด็กเนี่ยได้มาสังเกตความกลัวงตัวเองตอนหลังก็ค่อยๆนะรับมือความกลัวได้ดีขึ้นพอเด็กโตขึ้นนะหมอก็ชวนไปไปฝึกสมาธิไปเข้าคอร์สคุณแม่สุริกรินชัยเนี่ยได้เรียนวิธีการทําสมาธิได้เรียนวิธีการนะสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวจิตก็มีสมาธิแล้วก็มีสติด้วยตอนหลังนะ เวลาเจอเข็มฉีดยาเนี่ยหรือว่าเข็มที่มันเข็มใหญ่ๆเนี่ยเด็กไม่กลัวเลยมองเข็มเนี่ยด้วยอาการสงบแต่ ท, ท, ทั้งที่ปวดนะแต่เธอก็ใช้สมาธิระงับปวดได้แล้วบ่อยครั้งเนี่ยตามลมหายใจจนกระทั่งมีสมาธิแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็มีคราวนึ่งนะต้องเปลี่ยนไตแล้วสามารถจะหา ผู้บริจาคไตได้แต่ปัญหาคือพอจะผ่าตัดเนี่ยเธอแพ้ยาระงับปวดบอกว่าอาเจียนแล้วก็ระบมเลยนะแปลว่าใช้ยาระงับปวดไม่ได้แล้วถ้าไม่มียาระงับปวดจะผ่าได้ไงเธอบอกผ่าเลยขอผ่าลาสองเม็ดนะกินผ่าลาเสร็จตามลมหายใจ อย่างสงบเป็นสมาธิแล้วก็หลับไปเลยแล้วปรากฏว่าผ่าได้นะเปลี่ยนตายได้สําเร็จว่าหมอนี่ประหลาดใจมากนะเป็นแค่ซี่ไม่เคยเจอมาก่อนนะใช้สมาธิแล้วก็สติเนี่ยในการระ ง, งับปวดนะแล้วก็สามารถที่จะมันไม่ใช่แค่ระ ง, งับปวดอย่างเดียวนะแต่ระ ง, งับความกลัวระ ง, งับความตื่นตระหนกตกใจซึ่งเป็นตัวที่ทําให้ความปวดมารุนแรงมากขึ้นอันนี้เธอก็ เรียกว่าไม่ได้สายศรัท ธ, ธานะในตัวหมอมากเท่ากับการใช้สติสมาธิที่ช่วยทำให้สามารถระ ง, งับความเจ็บความปวดแล้วก็สามารถที่จ ะ, ะรับการผ่าตัดได้นะจนกระทั่งสำเร็จรุ่งไปด้วยดีแล้ น, นี้มันก็แสดงว่าเรื่องของจิตใจเรื่องธรรมะนี่ก็สำคัญมากนะมันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้จิตใจเราสงบเย็นแต่ยังช่วยทาให้ความเจ็บความปวดทางกายมันทุเลาบาบางได้ด้วย ถ้าเราใช้เป็นทำให้มันเกิดขึ้นกับใจของเราได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอนะ